ให้มันสุขตลอดไปได้ไใครทำได้หัวเราะยิ้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเมตตาให้มันเป็นตลอดมแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยนะทมาได้ปัจจัยที่สมควรกับเหตุผลเนี่ยนะข อ, อยังไงมันขอไม่ได้อยู่แล้วอะนะ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 เพราะฉะนั้นไอ้คำว่า ช, ชรามรณะชาติพบตันอุปาทานตันหาเวทนาภัษาสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกองทุกไม่ใช่สัตว์และกองทุกเหล่านี้มันเกิดจากอวิชาเป็นต้นนั่นแหละ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 ขวดไม่มีน้ําแก้วเปล่าแก้วไม่มีน้ําบ้านเปล่าบ้านร้างก็บ้านไม่มีคนอยู่หม้อเปล่าไห้เปล่าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่หม้อไห้ไม่มีถ้าในคำว่าสังขารเป็นของว่างเปล่าก็ลักษณะเดียวกันคือใครใครย่อมไม่ได้แก่นสารคือแก่นสารคือความเที่ยงเป็นต้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้นหาความเที่ยงได้ไหมในกายเนี่ยเอาไม่ร่างกายนี้ถ้าลองมันกระดิกไม่ได้เลยเอ่ะไมันเที่ยงแล้วนั่นนะนะไม่น่าสนใจกันนะ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 รูปภคนก็สัตว์ทั้งหลายก็มืลักษณะเดียวกันเป็นรูปที่ไม่มีแกนสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารว่าเที่ยงสุกยั่งยืนอัตตาอ่า ะ, นะะคณหาเออเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรีรวเนื้หาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันนะเป็นสิ่งที่ ไม่มีแกนสารคือความเที่ยงความมั่นคงไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาค้นยังไงก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงค้นยังไงก็ไม่ยั่งยืนพิจารณาก็เห็นแต่ความไม่มั่นคงพิจรารณายัางไงก็เห็นแต่ความแ ป, ป, ปรไปเปลี่ยนไปปรวนไปเนี่ยนะคนถูกเถอในกายเนี่ยนงงั้นแหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยอาการ6อย่างก็คือเห็นรูปโดยความที่ไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปอย่างแท้จริงเรียกว่า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 ท่านทั้งหลายเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายนําเราไปเสียเผาเสียหรือทําสมควรแก่เหตุบ้างหรือเนอะคิดไหมว่าเขาเผาเอาเราไปเผาอย่านะีะเขาเผาเราอยู่นะเขาตัดเราเขาทําลายเราเนี่ยนะเวลาเห็นเขาตัดหญ้าเป็นต้นในสวนเนี่ยนีเ่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะภิกษุก็บอกว่าไม่ใช่อย่าง น, านั้นพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามว่าเพราะนั้นเพราะเหตุไรภิกษุก็ตอบว่าเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ข, ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจา้าค่ะ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 ท่าละฉันทราค่าในขันห้าได้โอ้สุขสุดยอดเหมือนกันท่านพระนนทูนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์คือโลกว่างอะนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นอแหละพระองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนเพราะศูนย์จากตนศูนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจึงชื่อว่าโลกศูนย์ ดูก่อนอนุนอะไรเล่าศูนจากตนศูนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็คือจากสุเนศูนรูปศูนจากขวิญญาณศูนจากขูสัมผัสศูนแมสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาเหล่านั้นก็ศูนคือศูนจากตนศูนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตน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 ลิ้นก่อศูนย์รถก่อศูนย์ชิวหาวิญญาณก่อศูนชิวหาสัมผัสก่อศูนย์แม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก่อศูกายก่อศูนย์โพธาภากรก่อศูนย์กายะวิญญาณก่อศูนแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก่อศูนย์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 ความถือด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเราความถือด้วยอำนาจตันหาว่าของเราหรือมานะว่าเป็นเราของพิสูจน์ใดมีอยู่ความยึดถือนั้นก็ไม่มีแก่พิสูจน์นั้นถ้าค้นหาขันห้าตามความเป็นจริงและคติความเป็นไปแห่งขันห้าจริงๆจะไม่ติดข้องในขันหด้วยอำนาจตันหาทิฏฐิมานะว่าเราว่าของเราว่าเป็นเราเลย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 วินัยคือไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตว์บุรุษไในฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่มีวินัยของสัตว์บุรุษมันพวกนี้ก็จะเห็นรูปโดยความเป็นตนตนมีรูปรูปในตนๆนในรูปเนี่ยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนตนเนี่ยในตนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเห็นญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตัวนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสกายยทิฏฐิทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นไปแล้วเป็นทิฏฐิที่รกชัดเป็นทางกันดานเป็นข้าศึกเป็นเสี้ยนน้ำเป็นทิฏฐิที่แสไปผิดเป็นทิฏฐิเครื่องประกอบไว้เป็นความถือความยึดถือความถือมั่นความจับต้องทางชั่วทางผิดความเห็นผิดนะความเป็นผิดลัทธิแห่งเดรัจฉีการถือเอาโดยแสวงหาผิดการถือโดยวิปริต การถือวิปลาสการถือเอาผิดในวัตถุที่ไม่จริงว่าจริงจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนี่ยนะมันก็เป็นขันห้าวันยังค่ำใครจะสําคัญว่าเป็นของใครมันก็ไม่ได้เป็นมันก็เป็นขันห้านั่นแหละที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามเกิดจากตัณหาตัณหามสร้างขึ้นเท่านั้นแหละที่ที่หกิบสมีเท่าไหร่ที่ทีทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอัตตานุทิฏฐิ ก็ถอนอัตตานุทิทิเสียคือรื้อถอนฉุดกระชากลากออกเพิกละบันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งอัตตานุทิทิอันใครที่ตามเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์มีสติถอนอัตตานุทิทิดังกล่าวไปเนี่ยนะพวกนี้จะพ้นจากมัจจุคือพ้นจากความตายด้วยอุบายอย่างนี้ความว่าข้ามขึ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งมัจจุซึ่งชรามรณะด้วยอุบายอย่างนี้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 ยืนก็ไม่ระแวงนั่งพักก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงข้อนั้นเพราะไรเพราะนั่นไม่ใช่ทางไปของนายพรานฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสั่งจากกามสั่งจ่าอกากุศลธรรมประเข่าปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนพิษุทั้งหลายพิกษุนี้เรากล่าวว่าทำมารให้มืดกำจัดมารไม่ให้มีทางเห็นแล้วไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจกักษุของมารผู้ลามมก ก็คือเข้าปฐมฌานนะเนีเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุตฌานเข้าอาคาสานจายตนะเข้าวิญญาณจายตนะเข้าอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเข้าสัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาและเวทนาเรียกว่าเข้าอนุปภาพวิหารสมาบัติเข้าด้วยแล้วก็อาสวะของพิสูจนนั้นหมดสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายใครที่ ทำอนุปภาพวิหารสมาบัติก้าตั้งแต่ปฐมฌาน ท, ทาาตาตาาุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอาการสาัญใจยตนาะวิญญาัญใจยตนาะอากินจัญญายตนาะเนวสัญญาณนะสัญญายตนาะตลอดจนถึงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสิ้นอาสวะทั้งปวงนี่แหละเรียกกล่าวว่าทำมานให้มืดกำจัดมานไม่ให้มีทางไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจักษุ ข, ของมานผู้ลามก ข้ามแล้วซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เดินอยู่ก็ไม่ระแวงยืนอยู่ก็ไม่ระแวงนั่งอยู่ก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงผ่าทหา์นี้ไม่มีระแวงเหมงอนนคนนั้นเพราะเหตุไรภิกษุนั้นไม่ไปสู่ทางแห่งมารผู้ลามกเพราะฉะนั้นมัจจุราชไม่เห็นด้วยประการเชนี้สรุปว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงเป็นผู้มีสติเจริญสติประฐานสี่เป็นต้นพิจารณาเห็นขันธโลกเป็นต้นโดยความเป็นของศูนย์ทุกเมื่อ